เรื่องของสมาธิอย่าไปลงเชื่อคำว่าต้องฝึกจิตให้เป็นอั ป, ปนาสมาธิคือได้ฌานเสียก่อนถ้ายังทำไม่ได้ได้เพียงอุปจาราสมาธิคือเคลิ้มๆ ล, ลงไปแล้วก็สว่างจิตยังสัมพันธ์กับร่างกายอยู่ยังไม่ตัดเด็ดขาดเหมือนได้ฌานก็ใช้ช่วงนี้กำหนดพิจารณาการและใจหรือความรู้สึก น้อมไปสู่ความเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตายกจิตขึ้นสู่ภูมิิปัสนาก็จะเกิดผลแก่ผู้ปฏิบัติเหมือนกันสมาธิในฌานเป็นสมาธิที่โง่ทำให้เกิดฤทธิ์แต่ไม่ได้ทำให้หมดกิเลสผู้สำเร็จมรรคผลในฌานก็มีได้แต่เป็นจำนวนน้อย สมาธิที่อยู่ในอริยมรรคคือจิตสงบประชุมลงพร้อมที่สามารถทาจิตให้มั่นคงดํารงอยู่ในความเป็นกลางแม้อยู่ในลักษณะ ส, สมาธิขั้นน อ, อน อ, อนมีสติสัมปะชัญญะรู้ทันเหตุการณ์รู้แล้วปล่อยวางไปถ้าปฏิบัติจนเกิดภูมิธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแล้วเกิดเบื่อหน่ายต่อโลก ไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากทำประโยชน์ให้ใครไม่อยากทำงานอยากหนีไปอยู่ป่าคนเดียวให้พิจารณาให้รอบคอบอาจกําลังผิดทางเพราะผู้รู้แจ้งในธรรมจะมีแต่ความเมตตาหวังดีจะไม่เบื่อหน่ายต่อการทาประโยชน์ต่อผู้อื่นการสงบจิตพิจารณาสิ่งใด ทำให้เกิดความรู้เห็นธรรมขึ้นมาก็พิจารณาย้ำอยู่ที่ของเกา่าอย่าไปเปลี่ยนทำให้ชํานาญให้มีวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ที่แน่นอนเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงภูมิจิตภูมิธรรมจะขยายวงกว้างออกไปเป็นลำดับไม่ว่าจะพิจารณาอะไรให้อยู่ในลักษณะแห่งความรู้ว่าไม่เทียงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เมื่อรู้ซึ้งจริงก็จะถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นกิเลสตัณหาก็ค่อยหมดไปเองการภาวนาทำได้ทุกอิริยาบถลืมตาก็ได้นอนทาก็ได้กําหนดไว้ที่ใจคิดอะไรก็รู้ทันทำอะไรก็รู้ทันพูดอะไรก็รู้ทัน ให้มีสติอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นการทำสมาธิไม่ต้องบริกรรมภาวนาอะไรก็ได้สำคัญอยู่ที่การทำสติหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หลังตรงหรืองอก้าวไปหรือถอยกลับพูดคิดอะไรก็รู้ดํารงชีวิตไปตามหลักมหาสติปัฏฐาน สมาธิที่ถูกต้องต้องทำให้กายเบาจิตเบาจนบางครั้งรู้สึกว่าไม่มีกายเมื่อเลิกปฏิบัติออกจากสมาธิแล้วจะทำให้กายเบาตลอดเวลาร่างกายจะไม่มีอาการเหน็บชาลุกขึ้นเดินได้ปกติสมาธิบางอย่างคลายอำนาจสะกดจิตอาจเกิดการสัน่นเกิดปีติแรงไม่มีขอบเขต มีอำนาจบังคับจิตเราต้องรู้ทันอย่าไปหลงในสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่สัมมาสมาธิ